นี่การก่อสร้างมันก็ยังเป็นอย่างนี้เนะมันไม่เหมือนสร้างตัวเองนะถ้าสร้างตัวเองมันไม่ได้วุ่นวายัวุ่นวายในการก่อสร้างนี่แต่มันก็ต้องมีอีกนะอย่างั้นฐานบารมีมันก็ไม่เกิดอีกแต่ขอใหม้มันสมเหตุสมผลมีปีนี้มันมากเกินไปแล้วหลวงปู่ว่าปีหน้าก็ยิ่งจะมากอีกนะเพราะยังไม่ยังไม่เสร็จเล ย, นะยมีที่ปักมีเจนาจนะของไม่ใหญ่ลุนดีแล้วก็ที่ ตรงไม่แก้วก็พังอีกแล้วนั่นเอาแล้วเริ่มแล้วต้วนเช้ามาเตรียมไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสนะคิดว่าจะไม่มีเลยเอาเริ่มแล้วเออไม่ชอบก็ต้องฝืนทนเรานี่นี่ะมันไม่จอบแล้วนิสัยไม่มียังไม่ได้ลงทางยงครมนี่นานเลยนั่นีเป็นอาทิตย์แล้วโหเหนื่อยเดินอยู่อย่างงั้นทั้งวนันก็เลยเหนื่อยขานี้ปวดไปหมดเมื่อกับไปไปใช้ กำลังกายมันมากเได้งไงไม่ทราบขามันเริ่มเป็นขึ้นเขาลงเขาขึ้นเข า, ขาลงเขาเอา้าขาก็เป็นอย่างนั้นนะเออแต่ก่อนไม่เป็นนะเริ่มเลยเมื่อคืนเนี้ยปวดเหมือนกับเส้นเป็นลนักษณะเก่านี่น่ะฝ่ายซีกหนึ่งทั้งแขนด้วยอา้าวเริ่มแล้วเราวะนั่งพียนามอยู่เปิ่ ม, มานั่งอยู่ข้างล่างที่ตรงนี้มันอุ่นเริ่มยิ่งหนาวยิ่งปวดเอา้าอย่างนี้ก็เป็น ตอนแรกไม่เห็นเปลี่นนะเราอยู่ป่าอยู่เขานีเราหนาวหนาวนี่เราไม่เปลน่นก็คงยังยังพอสู้อยู่มากก็ธรรมดาละตาจัมแต่ว่าถ้าอยู่ป่านี้มันหนาวหนาวนี่มันจะไม่เปลี่นนะไม่เห็นว่าเป็นอะไรถ้าอยู่องเดียวนี่นะเพราะเป็นภาวนาล้วนๆมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอๆไหนๆก็ไปองเดียวองเดียวโอ้โหมัน มีความรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งโล่งไปหมดอันนี้พอออกมาแนละ้วตอนนี้เอาแล้วเริ่มก่อสร้างแต่ที่ห้ามนะนี่จะไม่ให้มีเลยจะไม่มีไม่ให้มีเราไม่มีนะคนถูทตายก็ต้องรับสภาพยอมรับสภาพอมมันก็ต้องมีพอเราเป็นมนุษย์นั่นแล้วก็ขึ้นนั่นเพราะเราก็ไม่ได้ไปเรียกอะไรใครพ่อเห็่หนุ่มกับแม่นี่เป็นก็เป็นผู้สร้างปฏินั้นก็มีผู้ที่จะสร้างฮนะต้นปัจจัยมา ก็ไม่ใช่คนอื่นอีกนั่นไม่ใช่คนอื่นอีกเนี่ยก็จะทําให่พ่อผู้มีพระคุณดี่เขาพ่อเจริญอีกนั่นเรื่องของเรื่องมันมันก็ลงนั่นองนั่นมันก็เลยลําบากไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้ถ้าให้คนอื่นมันก็ยังช่วหน่อยนี่ก็ทํำให้พ่อผู้มีพระคุณถ้าไม่มีเพื่อนเราก็ไม่รู้ไปตกเรเหร์ที่ร่อนไปไหนที่นี้ออกจากบ้านมานั่นเสียไปแล้วแล้วก็วิญญาณเพื่อนก็อยู่กับเรานี่อื้อ เราก็ได้สงก็สงหาเพื่อนเต็มสติกำลังปัญญาเราะเราก็เลยว่าเออถ้าตรงนั้นปัจจัยส่วนนั้นก็ไม่อยากให้มันก็จะกระจายจไปทางด้านอื่นนี่ท่านก็เลยแนะนำแม่แม่เพื่อนดูก่อนนะว่ามันจะไปในรูปแบบไห น, นถ้าให้มันนานเกินไปมันก็ไม่ดีมันก็เลื่อนลังอีกเท่ากับมันเลือนหลงังแต่ว่าที่กลัวที่ข้างหลังนี่คงไม่เลือล่อนหลังเป็นเดือนหนึ่งนี่ก็คงเสร็จอย ไม่เรื่องลังยังก็จะยังช่วยกันคนลไม้คนละมืข อ, ม ข, อมของเสร็จอยู่ก็ต้องมันเจตนานะเนีแต่ไม่คิดว่าจะทําเดี๋ยวนี้นะไม่เคยคิดนะลุงกูว่าลุงกูไม่เคยคิดว่าจะทําปีนี้นะพ่อใหญ่อีกอย่างละหลายปีนั่นแหละเราคิดว่าถ้าแม่ตายก่อนเราจะทําค่อยย้ายห้องน้าห้องส่วมพรานี่ก็ก่อสร้างมาสองสามปีติดต่อกันแล้วมันเหนื่อยจู่ๆแม่ก็เอารือ้อเลยเนะี่ยจากห้องน้ำอ็เอาก็เอ า, เอา เมื่อศรัทธาเกิดพุทธเจ้าว่าให้รับสัมภาพนั้นนี่เมื่อศรัทธาเขาเกิดบุญกุศลกุศลเขาเกิดอย่างเต็มที่เต็มหน่อยนะอย่าไปขวางศรัทธาเพื่อนแม่กับพ่อเพื่นก็เป็นผู้ที่ดูแลวัดนี้อยู่หลักธรรมหลวินัยก็มีอยู่บุญเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ศรัทธาถ้าไม่มีความศรัทธาทํายังไงมันก็ไม่ได้ สร้างเจดีมหาเจดีเป็นทองกรมสูงเจ็ดบ้ามก็ไม่ได้เพราะศรัทธาไม่เกิดสร้างด้วยเจตนาอย่างอื่นช่างด้ยวยความยิ่งใหญ่ว่าตัวเองร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็เรียกว่าไม่มีศรัทธาในธรรมในบินัยนี่ทั้งสองตายหญยเพื่อมีศรัทธาลองดูแล้วก็ลาบเออคงจะเหนื่อยต่อแล้วก็รู้อยู่เหนื่อยเหนื่อยต่อพระจะรีบเร่งไอ้มันเสร็จเร็วไปไม่อยากให้มันเลื่อนหลังขอ ง, ของจริงนี้น ะ, นะก็คงไม่มี อะไรที่ต่อไปอีกมากมายแล้ ว, วปีนี้กับปีหน้านี่ก็จะขอให้มันยุติซะขอให้ได้พคคักผ่อนหน่อยอืมมันจะมีไม่มีอย่างนี้ก็มีอย่างอื่นนะอตอนนี้เรามีที่พักที่อะไรเสร็สมบูรณ์บริบูรณ์นะครับคือตอนนี้ก็พร้อมแต่ก็ดีดในพรรษาปีนี้ต้องปลูกกับพวกเราไม่ได้ทำอะไรไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วเกิดแห้งแรงจัดก็ต้องประชุมสงฆ์ คือในพรนศานั้นหลวงปู่ไม่อยากจะเอาขอก่ อ, อสร้างเข้ามาอยากจะให้ขอก่อสร้างจิตใจของตัวเองอยู่ในธรรมในวินัยในการทําเพียรอย่างเดียวนี่ทีนี้ก็ปีนั้นมันก็เลยแห้งแรงก็เลยประชุมสงฆ์ว่าถ้าเราไม่กรีบก่อสร้างน้ําจะหมดนะก็เลยได้นั่นแหละถังน้ําที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีน้าบ่อนี้ช่วยคงสิทธิ์นะพวกเราแรงมาสองปีแต่ปีห น, น้านี้ฝนหนักนะ ปีหน้านี้ฝนหนักพราะสองปีสามปีมามันไม่หนาวสองปีแล้วมันไม่หนาวปีนี้หนาวดูปีหน้านี้ฝนหนักละ่ะเราเตรียมพร้อมละ่ะน้ําคงจะแน่นในในในภูเราอย่างนั้นลุงกูก็เลยยกห้องน้ําสูงเลยไม่ให้น้ำ ม, มันขังเวลาน้ำอยู่ที่ตรงร่องนั้นถ้ามันน้ําไหลไม่สะดวกก็จะทําเป็นร่องไว้เลยให้เอารถ ถ้าเจอมาทําเป็นร่องลงไปเลยให้มันน้ําไหลสะดวกในร่องนั้นไม่ให้น้ําขังเลยนี่มันจึงจะเอเวลาห้องน้ําห้องซ้อมมันจึงจะเข้าอยู่อย่างสบายมันไม่เหม็นเหมือนกับห้องเก่าห้องเก่านี่โอ้ทนได้ยากแ น, น่นั่นผ่านไปผ่านมาเนี่โอ้อยู่กันได้ยังไงนรือว่าอันนี้ก็ปรับสภาพใหม่ทางครัวทางด้านไหนาก็จะปรับสภาพให้คือต้องการความสะอาดนั่นแหละ ก็เราอยู่ในภาคปฏิบัติก็อยากให้มันสาดสะอานไม่อยากให้มันเรื้อยลังอืทางด้านที่ของสิ่งต่างๆที่ระวังระเกลระกะนี่ก็แม่เพิ่นก็ ส, สะอาดอันดีอยู่ทุกคนอยู่ทนะี่มาอยู่ด้วยแม่ปิดแม่ทียาแม่เสียนแม่อะไรทุกคนเนะ่ะที่อยู่ด้วยกั น, นก็ดูวงก็สะอาดทุกคนอกลุ่มนี้สะอาดอยู่นะก็ดูไปจําเดือนดูก็เออ ที่จำเรื่องดูไปทำน้ําแรงหรือเดินเข้าไปดูนี่ก็สะอาดกุฏิที่พักที่ที่เสนาธนที่พักที่อาศัยก็สะอาดสะอาดดีเก็บผ้าเก็บอะไรเข้าท่าอยู่นั้นก็ไม่เสียแรงที่สอนตลอดตลอดนะ้ก็นี่ล่คือธรรมคือวินัยนี่การฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยตัวเองที่จะของหยาบหยาบนี่แหละนี่แรียของหยาบที่พักที่อาศัยที่นาชนาที่พักที่อาศัยเสื้อผ้า ออะไรนี่ของเป็นของชายของสอยของอะไรในกวดนี่แหละของหยาบฝึกตัวนี้ให้สะอาดก่อนในนี้มันก็สะอาดภายนอกก่อนก็ค่อยรวมเข้าสู่ภายในนั่นเป็นงนั้นงนั้นแต่ภาคปฏิบัตินี้เข้าสู่ภายในเลยระเกียร์ระไกร จ, จะไปคิดนะ่ะยากนะมันต้องสะอาดทั้งภายนอกด้วยทั้งภายในด้วยนั่นความสะอาดไม่ใช่ว่าสะอาดแต่ภายในภายนอกไม่สะอาดเป้นไปไม่ได้ไม่มีได้ทําในวินัย พุทธเจ้านิชาตตั้งแต่เริ่มต้นเบื้องต้นทำกลางบ้นไปชาหะชาอัาน้นเขาอยู่ในเกิดในตระกูลราชามหากษัตริย์ชาติละเอียดอ่อนที่เรียกว่าสุขมาาุมละเจ้าเวลายกธรรมยกขึ้นในขึ้นจริงละเอียดอ่อนถึงพวกเราถ้าทำตามนั้นก็เป็นพุทธที่มีศีลมีธรรมที่สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งผมไม่เคยหางมีแต่วันนี้เป็อนุโลมตามลูกตามทงฐานที่ เห็ <inate> นนู่ทำโนวนทำนี่เขอยู่กับพวกเราถ้าลุงปูไม่ทำก็เหมือนกับไม่มีกําลังใจงให้พวกเราเราไม่ชอบหรอกแต่เราก็ต้องฝืงนทำครั้งแรกในชีวิตน้องปู่นะพี่น้องปู่มาจับโน่นจั บ, น, จบนี่แล้วก็อขอ้ขอตัออ้างที่นี่ที่เดียวไม่มีที่อื่นไม่มีที่อื่นก็จะทำกัตบตาลูกเล็กก็มิเตยงก็ทําให้ไม่มีพไปอยู่น้องนาแจงก็ไม่ได้ไปทําอะไร ปกติหลังนั้นก็ตารางก็พวกนี้ซ้อมใหมแตป่ปองแต่อะไรซ้อมให้ก็พออยู่เลยตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรแต่นั้นยิ่งไปจับนวนจากนี้เราเราไม่มีในปฏิปทาเรามาที่นี่ก็เริ่มเลยเริ่มก็มีก็ก็เริ่ ม, ม, มไม่ใช่เพอ่พออะไรก็พราะพวกเราที่มาอยู่ด้วยนี่สอนทวิตุกบาลก็สอนใครก็สอนพวกเราทั้งมนุษย์ทั้งวิ ญ, ญญาณทั้งเ ท, ทวุเทวดดาไม่ได้สอนเฉพาะ มนุษย์นี้ไม่ได้สอนเฉพาะ ก, กายอยา่างกล้ละเอียดพกกายที่ว่าสอนด้วยสอนยังให้ทุกคนมีหลักมีเกณฑ์ก่อนที่จะจุติเกินยายพวกภูมิละเอียดพบละเอียดก็จุติเกินยัยพวอยากว่าจุติเกินยัยอยู่เมื่อเรายังอยู่นี้เรามีบุญมีกุศลไหยมีสติมีปัญญาไหมที่จะนําพาตัวเองตลอดรอดฝังนี่นี่ง้ก็จะไปตาม เจตนาขั้งสุดท้ายของตัวเองทำบุญมามากๆขั้งสุดท้ายแล้วเกเอาสิ่งที่ไม่ดีมาเจ้าก็าลงไปที่จุดนั้นเลยทุกขติภูมิการภาวนาตัวนั้นมันจะรวมกลุ่มตัวนั้นได้เอกทานะบารมีเทานนะั้นทานนั้นถ้าไม่ถึงขั้นปรามัดนี่มันก็ยากเดือคำว่าขั้นปรมัดก็ถึงขั้นโศเป็นโสตายมีความศรัทธาที่สุ ด, สด ต้นนั้นมันไม่มีในกลุ่มของอุบายนต์บิการในสมัยปัจจุบันไม่มีในสมัยพุทธการมีบินที่เกษเรทีเป็นต้นนั้นแต่พวกเรามันไม่มีเป็นทานธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นเวลาที่เราเก็บไว้ได้เป่วยมาจึงเผลอจากคุณงามความดีไม่ลึกถึงผลทางของตัวเองครับแปลจากภาพจากบุญเลยเป็นบาปไปเสียคติที่ดีน่าจะไปกับไปสู่คติที่เลวซามต่อไปเป็นอย่างนั้น แต่เวลาเวลาเราภาวนาแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นหนึ่งเดียวเลเด่นอยู่ในองค์ภาวนานั้นนี่พุโตธรมโมสังโคเป็นเคร่รวมที่นั่นแสงสว่างอย่างความบุญความกุศลก็จะเกิดที่นั่นเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจตัวเองไม่ใช่เกิดขึ้นภายนอกนี่นักภาวนาจะเห็นอย่างชัดแจ้งเพราะใจมันสว่างสบายใจไม่ใจสว่างสวายไม่ใช่สว่างสวยภายนอกใจสว่างสวายสว่างสบายแบบไหนมันเหมือนกับ เปิดสวิตไปฟ้าตลอดยิ้มย่องผ่องใสตลอดเหมือนไม่มีความทุกข์เลยเรียกว่าสว่างสวัยนั่นไม่ใช่สว่างสวเป็นแสงเป็นอะไรนะนี้สว่างสวัยคือใจนั้นมันปกติไม่ดิ้นหล่นไม่ขวัญขวายไม่กวัดแก่งไม่ทุกข์เมื่อเสื่อมราบเมื่อเสียของัะของหัวไม่ทุกข์ไม่สุขออกหน้าออกตาเมื่อได้ลาบจากการละหรือได้สิ่งที่ตัวเอง ป่านานั้นๆจะเป็นปกติเมื่อจิตเป็นปกตินั่นท่านเรียกว่าภาวนาถึงขั้นมัชจิมาได้เมื่อรวมพลังจิตรวมพลังใจได้เป็นมัชจิมาแล้วตรงนั้นการกระตือรือลน้นในทางโลกทางสงสารมันจะไม่เกิดอยู่ทางโลกทางสงสารนี้อย่าคิดว่าเราจะเอาไปได้เนี่ยมันเอาอะไรไปไม่ได้โยตถาบรรดาศักด์ ครอบของเงินทองแต่ก็ต้องมีชายตามโลกตามสูงสารไม่ว่าพบไหนภูมิใดพบของมนุษย์พบของสัตว์อะไรฉานเขาก็มีของเขาพบความมนุษย์ก็มีของมนุษย์พบของพวกกาทิพย์ก็มีพวกกาทิพย์ที่เป็นสมบัติที่เป็นทิพย์นั้นๆมันก็ต้องมีแต่ว่ามีแล้วมีสติมีปัญญาไหมอยู่พบไหนภูมิใดก็ตามพวกเตอก็ไม่สามารถเอาไปได้ ทรัพย์สมบัติที่เป็นทิปพวกเธอก็ไม่สามารถเอาไปได้แม้แต่เม็ดถิ่นเม็ดใส่ไม่เอาไปได้นะไม่ได้ความคิดของพวกเธอเธอก็เอาไปไม่ได้แล้วอะไรไปได้ล่ะนั่นเน่ยเอาตัวนั้น เ, นเอาบุญและบาสนั้นตัวนั้นเอาไปได้ไม่อยากได้มันก็ได้เพราะมันติดอยู่ในจิตใน ใ, นใจตลอดตัวนั้ น, เ, นเป็นเชื้อพบเชื้อชาติหมุนเวียนเปลี่ยนไปในการเวียนว่ายตายเกิดทั้งบุญและบาปเพราะจิตนั้นมันตายไม่เป็น จิตมันตายไม่เปล่นร่างกายแตกแหลายจิตมันก็กระเสือกกระสนดิ้นรนหาร่างใหม่มันจะได้ร่างอะไรก็แล้วแต่ว่าจะนาบรารมีที่สร้างในปัจจุบันได้ร่างดีหรือร่างไม่ดีก็ขึ้นอยู่ที่การกระทำเธอมีศีลมีธรรมที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไหมได้พึงปฏิบัติคุณงามความดีไหมก็ต้องรู้จุดนั้ น, น, นการทำงานการทำงานที่ลงปู่ทำกับพวกเราไม่ใช่ว่าลุงปู่ทาโดยความต้องการ หรือจำโดยด้วยขัตติกัดปัญญาจะเรียมว่าทุกขณะก้าวลงปู่เป็นการภาวนาล้วนๆขอให้ลูกจิลูกหาเข้าใจทุกย่างก้าวทุกขณะจิตแม้แต่คําพูดอยู่ในก้อต่างวนาบินทบาทข้อต่างอยู่ในข้อตา่างพูดเด่นกอต่างพร้อมสติพร้อมในทั้งปัญญาทั้งนั้นนั่นเป็นการภาวนาของลงปู่อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อะไรที่จะติดในจิตในใ จ, ในใจผักพุว้วผักพุว้วรู้รู้ รู้ทันรู้ชอบรู้รอบขอบคิดแห่งจิตที่ปรุงที่แต่งที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมันนั่นพบชาติมันก็สิ้นไม่ได้อจิตมันยึดมั่นถือมันอยู่พบชาติมันก็สิ้นไม่ได้สิ้นไม่ได้การเว้นว่าตาเกิดก็ต้องมีถึงจะทําอยู่ขอให้เป็นกิริยาตอนนั้นเพ่อเอาไปไม่ได้เราทําเพื่อใครก็เพื่อโลกเพื่อสงสารเพื่อพุทธศาสนานั่นพ่อเราคือพุทธเจ้า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสอนสัตว์โลกสอนสัตว์โลกถ้าจะพูดถึงสอนไม่นานสี่สิบกว่าพรรษาสี่สิบกว่าปีแต่ว่าคำสอนนั้นนานแล้วสองพันห้ารอยกว่าปีและมีใครที่จะรับเอาคำสอนนี้ไปพื้ปฏิบัติไม่แค่นั้นที้เราจะไปพฤ้นปฏิบัติตามนั้นหัหยหรือจะบอกว่าครูบาอาจาร ไม่สอนไม่บอกไม่สอนสอนแต่คนนั้นสอนแต่คนนี้หลวงปู่เทศทุกวันหลวงปู่สอนเราทุกคนอย่าคิดว่าหลวงปู่สอนคนนั้นสอนคนนี้เทศอยู่ดีนี้ก็สอนสอนเรานั่นแหละเราต้องฟังทำเป็นต้องบอกว่าหลวงปู่สอนเราหลวงปู่เทศให้เราฟังคนเดียวอย่าคิดว่าเทศให้คนนั้นคนนี้จะคิดอย่างนั้นเวลาหลวงปู่ยกย่องชมเชยก็ต้องว่าชมเชยเรา เวลาหลวงปู่ตีเตียนก็ต้องว่าตีเตียนเรานั่นแล้วต้องฟังทมเป็นแบบนั้นเวลาเอือยทําอกมาก็ต้องรู้ไปหมดตรงนั้นแล้วก็พอบฏิบัติตามนั้นผู้ที่มีความตั้งใจมันไปได้อยู่ตลอดรอดฟังทางโลกก็ตั้งใจมันก็ไปได้ไปได้ดีอยู่ทางธรร ม, มยิ่งตั้งใจก็ยิ่งได้ดีเลิศแต่ว่ามันแตกต่างกันที่ว่าทางโลกกับทางธรรมดังที่พูดให้ฟัง ทางโลกมันเอาไปไม่ได้แต่ทางทำเอาไปได้แม้ขณะ จ, จิตที่ยึดที่ถือซึ่งคุณงามความดีแค่นั้นก็ป้างเข้าไปแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยอแต่ทางโลกเม็ดขนา จ, จิตที่ทําลึกด้วยกายที่ทํเทานั้นทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้เอยไปถ้าได้ก็ได้ด้วยความยึดมั่นถือมัน่นด้วยขณะ จ, จิตที่ยึดมั่นถือมัน่นแต่ทรัพสมบัติต่างๆพวกเธอไม่สามารถแต่ต้องได้เมื่อตายจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณ ก็ต้องตกระเหเลร่อนไปหาที่อยู่ใหม่เพราะจิตนั้นมันตายไม่เป็นเม้่อแต่พ่อรหันถึงคําใช้ที่ใช้คําว่านิพพานไม่ใช่ว่าจิตทั้นตายจากโลกจากตรงจักรจิตมันตายไม่เป็นแต่จิตนั้นบริสุทธิ์แค่นั้นไม่ได้กลับมาในภพภูมิของพวกกายยากกายทิพย์ในการพบดูพบแย่รู ป, ปะพบตัวนี้ไม่กลับมาพบทั้งสามไม่กลับมา ไปอยู่สถานที่หนึ่งที่ที่หลวงปู่ทเทศเรื่อยว่าเข้าสู่จักรวาลเดิมนี่คือจิตอรหันจิตนั้นจะตายไม่เป็นถ้าเรารู้ชอบประพฤติปฏิบัติชอบรู้ชอบแห่งจิตรู้จริงเห็นจริงแห่งจิตที่มันปรุงมันแต่งไม่ใช่รู้แบบจอมปลอมเราจะไม่สงสัยเรื่องธรรมเรื่องวิ น, นีย เมื่อรู้จริงเห็นจริงแทงตลอดเข้าไปจึงรู้อ๋อไม่เป็นอย่างนี้เองเลยในการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเองก็ทราบสมเหตุสมผลทอนนั้นหลายวันที่หลวงปู่ไม่ได้อบรมพวกเราช่งชาวงเช้าก็รีบช่วงเย็นก็รีบในวันพระก็รีบไม่มีทำว่าสมวนแล้วก็ลงไปทำว่าสมวนแล้วก็ลงไปนานเดี๋ยวนี้ไม่ใกล้ปีใหม่นั่นมันใกล้ปีใหม่มหมอยากให้หลารูกศิลป์ลูกหาพร้อม ในการจ้างคุณงานความดีอยู่ไหนก็ตามในการปแบบพื้ปฏิบัตินั้นอย่าลดหย่อนผ่อนผันลงไปให้มันขึ้นหน้าเข้าไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่งห ย, ย่อนลดห ย, ย่อนลงไปนะเพราะอย่างนั้นมันจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนทีนในสภาพว่าจิตเสื่อมแล้วเราจะเราจะมีความลําบากมากเมื่อสภาว่จิตเราเสื่อม จิตเตือมเนื่องด้วยอะไรขาดสติภาวนาดีขนาดไหนก็ตามถ้าสติอ่อนอยู่จิตจะเสื่อมเดินจงกมนั่งภาวนาทั้งวันก็ตามถ้าสติอ่อนการเสื่อมแห่งจิตก็มีตลอดตลอดถึงจะภาวนาห่อเหินเดินฟ้าได้ก็ตามสติพวกเธออ่อนความเสื่อมแห่งจิตพวกเธอก็เกิดนั่นเมื่อจิตมัแก่ก้านี่จะ ไม่สนใจเรื่องการเสรื่อมการเจริญเพราะเนื้อนั่นไปหมดภาวนาต้องอยู่ที่นั่นนะพวกเราเอาอย่างอื่นมันก็ไปไม่รอดอีกสติถ้าอ่อนแล้วนี่ไปไม่รอดทําอะไรก็ไปไม่รอดอยู่ทั้งโลกก็ไปไม่รอดเพราะสติอ่อนถ้าสติแก่กล้าแล้วนั่นนหละอยู่ที่ไหนก็พึ่งตัวเองได้อย่างเทาวนความสกปรกสกานในโลกในสงสศิจะไม่มีเมื่อสติมันแก่กล้าขึ้น ถึงกี่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งกางทำแต่ทราบตัวเองว่าพบภูมิที่จะจุติเกิดย้ายต่อไปที่ไหนการกลัวเป็นกลัวตายไม่มีไม่เกิดเพราะสติตัวนั้นที่เรียกว่ามหาสติกําลังจะเกิดในพวกเราภ า, ภาวานาแล้วมันจะไม่เห็นตัวนั้นเดี๋ยวนั้นไม่ค่อยส่งผลนี่พุทธศาสนาก็สอนเอาตัวนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์คือสอนเอาพระสติในการภาวานา พราสติตัวนั้นอ่อนเนี่ยทันทีแล้วพวกเราเสื่อมจากคุณงามความดีบวนอยู่ก็อยากซื้ค้ายราเพศเป็นพระ เ, เป็นพวกแม่จีผ้าขาวก็อยากจะออกไปสู่โลกภายนอกหรืออยากจะไปโน่นอยากจะไปนี่เพราะสติมันอ่อนพอมันไม่รวมลงปัจจุบันมันไม่หมุนเป็นเกีียวเพื่อต่อสู้กับกิเลสเพื่อพังพบพังชาติในปัจจุบันมันจะเป็นของมัน มันอยากเที่ยวเหมือนหลวงปู่ท่องเที่ยวมาก่อนอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากไปนน่นอยากไปนี่มิแต่อยากจะไปมิแต่ไปก็ไปตัวนั้นจะติมันอน่อนจะเป็นอย่างงั้นแต่เมื่อสติแก่กล้าแล้วสติเป็นเครื่องกั้นแล้วอยู่ไหนก็เหมือนเหมือนเป็นลักษณะอยู่ป่าอยู่วิเวกองค์เดียวมันก็อยู่หลวงปู่อยู่กับพวกเราทุกวันนี้เมื่อสติมันแก่กล้ามานี่มันก็เหมือนอยู่องค์เดียวนี้ บางครัง้งหลวงปูไม่คิดว่ามีพวกเราจิตมันเด่นมากจนจนเหมือนก็อยู่องค์เดียวเพราะการที่กําหนดสติตลอดตลอดมันจะเป็นอย่างนั้นถ้ารวมก็ปล่อยรวมไปรวมก็ท้อมก็บชาบนั่นไม่ต้องไปเอาที่ ก, กุลีกุจออะไรมากมายเป็นกาหนดสติตลอดตลอ ด, ลอดมาถึงขั้นนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นเอาสติเป็นเครื่องอยู่ รู้ก็รู้ที่สติไม่ได้รู้ที่อื่นเอาสติเป็นเครื่องกั้นเอาสติเป็นเครื่องอยู่เอาสติเป็นที่พักพิงอาศัยในปัจจุบันปัจจุบันหมายถึงเดียวนี้แต่ว่าเอาสติเป็นเครื่องอยู่นั้นก็รวมกันไปหมดนั่นสตินั้นเป็นที่พักพิงอาศัยสตินั้นเป็นเครื่องอยู่สตินั้นเป็นกิริยาของอาการทั้งภายนอกภายในก็ตามก็จริงแต่ว่าต้องอาศัยสติ ขาดติสัตว์โลกจะไม่เข้าสู่ขจิติที่ดีได้นี่ภาวนาต้องอยู่ที่นั่นอยู่ทั้งโลกก็ตามถ้าสติดีแล้วก็นั่นแหละมันต้องบูนในสมัยครองคาราบาลเวลาเราเก็บไใบได้เปิดมาบอกผู้เป็นพ่อกับแม่ได้เลยแล้วนี่นะถ้าลูกตายแล้วก็จะเป็นแบบอย่างให้พ่อกับแม่ไม่ต้องมาห่วงพอลูกไปดีก็แล้วกัน พอจะติดเต็มทีก่การกอดเป็นกอดตายเราไม่มีตั้งแต่เป็นคารวะมาเมื่อจิตมันรวมแล้วรวมเรารวมแล้วรวมแเราตั้งแต่สมัยเป็นคารวะหน้ามือเป็นหลังมือโน่นเลยเขาเรียกว่าสติมันเกิดแล้วนั่นกองบุญกองกุศลมันก็รวมที่นั้นอาจา ร, รย์นะพวกเราคิดว่าการทําภาวนานั้นหลับหูหลับตาเดินจงกรมนั่นจึงจะมีสติมีปัญญามันไม่ใช่ อั น, นเป็นกิริยาในการเดินยังคถูกต้องก็ต้องมีไม่มีไม่ได้นั่งภาวนาก็ถูกต้องก็ต้องมีไม่มีไม่ได้แต่เป็นกิริยาบอกลือสีจีไปนั่งเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีก็นั่งอยู่อย่างนั้นนั่นก็เป็นกิริยาในการนั่งภาวนาแต่พุทธศาสนาสอนถึงสติตัวเดียวถ้าไม่มีสติพวกเราตัดจะรู้ไม่ได้สติตัวเดียวต่า น, นั้นเป็นเครื่องอยู่สติตัวเดียวต่า น, นั้นเป็นเครื่องกั้นบาปอกุศล สติตัวเดียวเท่านั้นที่จะยังจิตให้ ส, า ว, าส ว, หว่างสวไม่ให้เสื่อมถ้าไม่มีสติเสื่อมนะมเห็นหลวงปู่เสื่อมไหมเราสติเราอ่อนเรก็อยากไปผู้นั้นอยากไปผู้นี้ผู้นี้ท่องเที่ยวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อ ย, อยความอยากความเต้ยทยานมีความอยากไม่มักผลปณิพานมีมีมีที่จนออกมาล้นเที่เรียก ว, ว่าขาดสติไงไม่มีความ พอดีพอดีในมรรคที่ตัวเองได้ประพิปฏิบัติอยู่มันล้นออกมามันเกินเมื่อมันเกินแล้วมันก็รั่วไม่ได้มื่จิมาปฏิปทากรรก็ไม่เกิด น, นี่เราก็เลยหลงอยู่ตรงนั้นนานหลายปีพอยังสติได้ที่ภูเมืองนะ้เท่านั้ น, น่ะเราก็เริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยแล้วเหมือนกับภาวานาใหม่นี่เลย ที่ภูมมึงนะนี่ที่จะพาพวกเราไปนี่เหมือนก็เราเริ่มใหม่เลยเริ่มชีวิตใหม่ตอนนี้การที่จะไปจะมาเหมือนมันไม่ไปเหมือนมันไม่มาเหมือนมันไม่ไปไหนเหมือนมันหยุดอย่างนั้นนี่เมื่อมันถึงที่ตรงนั้นนะเมื่อติมันเต็มท right? right? ี่เต็มฐานของมันมันจะอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าสติยังไม่เต็มที่เต็มฐานมันยังอยากอยู่ยังอยากโน่นอยากนี่ยังอยากจะไปโน่นอยากจะไปนี่ ตรงนั้น ing, น่าจะภาวนาดีนะตรงนี้น่าจะภาวนาดีนะมันก็ปรุงมันก็แต่งไปแต่ถ้าสติมันเต็มที่ของมันเนี่ยมันเหมือนกับลักษณะเฉยอยู่อย่างนั้นวางภาระทั้งหมดเลยจะไปจะมาหรือไม่ก็ตื่อหรือรลนอยู่หรือก็ไม่ก็ตื่ อ, ร อ, ร อ, ร อ, รอ arriba, หรือล้นไงนิ่งคือไม่ไปไม่มาอยู่หยุดอยู่จัง <S <S เลยก็ไม่ก็ตื่หรือลน หรือจะไปจะมาที่ไหนก็ไม่ก็ตือนรือลุนนี่อัศจรย์จิตเนะเมื่อสติมันมากมันควบคุมสถานการณ์ได้หมดก็เลยอัศจรย์จิตอัศจรจิตเมื่ออัศจรย์จิตก็เลยอัศจรสติตัวนี้นะเราอัศจรย์จิตอัศจรจิตที่ไม่หมุนเวียนไปเหมือนตั้งแต่ก่อนอัศจรย์สติที่เป็นเครื่องกั้นเหมือนกับเชือกผูกตัวจิตไว้เลย ไม่ให้จิตมันท่องเที่ยวตอนนี้ขณะทุกคณะจิตยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มทำเหมือนกับการภาวนาล้วนๆเลยคิดจ้าบย่างก้าวขึ้นจ้าบพอความรู้สึกนึกคิดออกมาชาบพอจิตขยับสติพรับพร้อมอ๋อมันอยู่จุดนั้นหรือพร้อมพร้อมกันสติขึ้นเห็พระสติสติขวางสติจิตประพวงปับป พับพร้อมดับพร้อมขึ้นพร้อมดับพร้อมยุ่งอย่างงั้นอ๋อมันอยู่อย่างงั้ น, นี่ตอนนี้การที่กระเทือกกสนดิน้นหลนในการที่ต้องเที่ยวก็ยุติมันอยู่ที่นี่เนี่ยในถ้าถ้าตัวนี้ถ้าภายในอ๋อการภาวนามันอยู่อย่างนี้เองมันไม่อยู่ภูนั้นภูนี้วัดนั้นวัดนี้อ๋อมันอยู่ที่ใจนี่เมื่อรู้ใจเห็นใ จ, ใ ต, จตัวเองมันก็ไม่ไปไหน ใครจะด่าใครจะว่าใครจะวุ่นวายกายก็มันกับว่างเฉย อ, อยู่งั้นนี่เนี่ยตั้นเรียกว่าภาวนาถูกต้องถูกทางถ้ายังไม่ถูกอยู่ก็เหมือนหลวงปู่เจอกับพระองค์หนึ่งในสมัยที่หลวงปู่อยู่ที่มเมสเซียงท่านอยู่อย่างนั้นไปอย่างนั้นมาจนถึงเก้าปีปีที่สิบได้ไปเจอกันที่มเมสเซียรท่านเป็นพระอยู่ที่จันบุรีลืมจืดท่าน ท่านเขียนชื่อที่อยู่ที่อะไรให้อยู่การรู้การเห็นขององค์ท่านเป็นการรู้การเห็นที่อัจฉริยะท่านไปไหนมาไหนนี่ท่านจะรู้ไปก่อนล่วงหน้าไปหมดรู้วันนี้แล้วก็เห็นวันนี้ก็มีท่านพ่ารู้ล่วงหน้าเป็นอาทิตย์ก่อนที่จะเรื่องนั้นเกิดก็มีหรือรู้ล่วงหน้าไปชักเดือนหนึ่งหรือชักปีหนึ่งเตรียมพร้อมไว มันจะเป็นลักษณะนั้นหมดการไปไหนมาไหนจะทราบสถานที่ที่ตัวเองไปหมดเพล่นมาไม่มีใครแก้ให้เพลินได้นะพรามันภาษาเพลินมากกว่าเราก็เลยมากราบขอฟังธรรมเป็นพนมมืออยากจะฟังธรรมถ้าการแสดงธรรมถ้าผู้ที่มีัาษากว่าจะให้เราแสดงธรรมนี้มันไม่ไปทำจะไม่ออกรสชาติแ่งธรรมจะไม่เกิด ทำนี้ต้องเหนือคูเหนือบาเหนือทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำจึงจะออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านก็เลยประนมมือขอฟังธรรมท่านก็เลยออกอือย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้รถได้ชาติท่านกลาบเราผมหลงป่าหลงทางมาเก้าปีสิบปีแล้วนี่ผมจะกลับแล้ว ถ้าผมจะไม่ท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลําเนาไปอผมซึ่งทราบเดี๋ยวนี้เองว่ามันเป็นอะไรพอเปียเป้ยงเปี้ยงก็ให้จะทําช่านสูงท่านจุดยอดที่ได้ฟังรสชาติอย่างเต็มไม่เต็มหน่อยที่ไม่เสลียงนั้นท่านก็เลยกะพ้องกับพระองค์หนึ่งท่านก็เลยให้ที่อยู่ให้ชื่ออะไร น, นั้ก่อนแล้วก็เลยเอาทิ้งหมดเพราะเราคิดว่าเราจึงจะเสียตามป่าเขาลเนาไปเราไม่คิดที่จะติดต่อใครนั่น จิตเมื่อมันส่งนอกแล้วมันอยู่มันไม่อยู่กับที่นี้การภาวนามันก็ไม่ไปไหนถ้าจิตมันไม่ส่งนอกมันอยู่กับที่อยู่กับกายอยู่กับขันธ์อยู่นี่มันก็เหมือนอยู่ในการภาวนาล้วนๆถ้าจิตมันไม่ส่งนอกออกไปแต่ถ้าจิตส่งนอกโน่นนี่ขาดจิแล้วก็ได้เรื่อง ทุกปรุงแต่งไปตพ่พฤ้นตะผือบางทีปรุงแต่งในเรื่องที่มันเร็วๆตามๆออกมาบางทีปรุงแต่งในทางด้านที่มันทําให้ตัวเองเป็นบาปเป็นกรรมกับปู่กับบาเราเป็นมา ก, ก่อนทั้งนั้นหนึ่งเรื่องนี้นี่นี่จิตมันยังตกนอกแต่เมื่อสามารถกําหลับมันด้วยพระสติแล้วนี่มันจะไม่ไปไหนสิ่งไหนที่กวนไม่กวนจะทราบหมดพราสติควบคุมมัน เหมือนกับจับมันยัดใส่โกงขังนี่นี่เนี่ยสติการฝึกขัดอบรมบ่มนิสัยตัวเองเขาอาศัยตัวนี้ก็คือพระสติภาวนาดีขนาดไหนพระสติเท่เธออ่อนก็ไม่ไปไหนก็อยู่ที่นั่น เ, นเสือ่อมแล้วก็พิจารณาดูต้องปู่แนนจุปะโทเราโอ้ปาวนภาวนาเนีไม่ใช่ธรรมดา ในจังหลายพรรษากับสึกขาลาเพศจิตเสื่อมดูสิขาสติเห็นไหมพอกลับมาบรรยายฌาใหม่ตอนนี้ต้องเน้นเรื่องสติของท่านเน้นเร่องเน้นเรื่องสติขององค์ท่านแล้วก็ทำลายอัจฉริยะให้สิ้นแต่ว่าเรื่องง่ายมันก็ง่ายอยู่นะแต่ว่าเรื่องยากมันก็ยากอยู่อาศัยสติตัวนี้เป็นตัวประพฤติปฏิบัติธรรมพูดง่ายๆสติคืออะไรสติคือตัวรู้ รู้เดี๋ยวนี้ว่าเรานั่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าเรายืนรู้เดี๋ยวนี้ว่าเราเดินรู้เดี๋ยวนี้ว่าเรานอนรู้เดี๋ยวนี้ว่าเราพูดเราทําเราดื่มเราคิดเราทําโน่นทํานี้รู้มันเหมือนกับทาเพียนตลอดตลอดไม่สนใจใจดีกับใครนี่แหละคือพระสติมันจะเป็นอย่างนี้นี่ถ้าใครทําได้แบบนี้ผู้นั้นจะเจหลืน ไม่มีการเ่อยถอยในด้านทำจิตตภาวนามิตเรเจริญยิ่งขึ้นจเรนจริญยิ่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผ่านการทำภาวนาอย่างธรรมดาธรรมดาเข้าถึงขั้นโลกุตตะแตวนี้เรายังเป็นโล ก, กิยะอยู่ยังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่ผ่ากนการทำภาวนาอยู่อย่างนี้มันไม่ไปเพราะมันขาดสติตัวนั้น ยังหลงโลกหลงทางอยู่เหตุว่าถ้ามีสติแล้วมันไม่หล ง, งตัวนั้นมันสว่างไปหมดมองที่จุดไหนมันก็โล่ไปหมดเนี่ยเป็นอย่างนั้นหลวงปู่จึงอาศัยสติมาตั้งแต่เป็นกลาวาสมาพอเข้ามาแล้วเขาบอกว่าสติยังก่อนก็ถูกต้องอาศัยสติแต่สติยังไม่แก่กล้าไง มันต้องฝึกผลอบรมบ่มนิสัยสติรู้ตัวตลอดรู้ตัวตลอดบางทียือนอยู่นี่รู้ให้มันนานๆนจะรู้ได้นา น, านขนาดน้ก็รู้เอาตัวนี้เป็นตัวก้าวนี่รู้เดินไปรู้เข้าห้องน้ำห้องซ่วมรู้เอาตัวนี้รู้รู้ตัวตลอดรู้ไม่ไปวุ่นวายกับกองกักข่ายไม่ได้ไปคิดว่าคนนั้นจะไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นจะพูดนินทาเราคนนี้จะนินทาเราคนนั้นจะพูดให้เราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จะไม่มีตรงนั้น มีแต่พัตติรู้เด่นกับตัวเองตลอดไม่ส่งนอกไปไหนใครจะว่าใครจะด่าใครจะอะไรเรื่องของใครเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเรากําลังรู้ปฏิบัติธรรมเพื่อข่มเวทนาทั้งหมดคือความโกรธความรูบความหลงทิฏฐิมานะความไม่พึงพอใจคนอื่นความน้อยเนื้อต่ําใจพวกนี้ถือว่าเป็นเวทนาเราจะไม่มีตอนนี้โดยอาศัยสติเป็นตัวขวบตอนแรกก็เห็นมันพอเห็นมันแล้วตอนนี้มันก็ทํำยากพรัสติอ่อน บังทีก็ต้องออกนอกรูนนอกทางเมื่อสติอ่อนแล้วไม่ไปตามทางเราอออกนอกรูนนอกทางคือทาในสิ่งที่ผิดธรรมผิดวินัยขึ้นเพราะสติอ่อนก็วผมทํอย่างมีสติอยู่มันไม่ใช่ผู้มีสติตัวนั้นเป็นสติของสัตว์เดรัจฉานเป็นมิจฉาสติไม่ใช่สัมมาสติ มิจฉาสติเป็นสติของจัเดเจริญฉานเป็นสติอืของศาสนานาอื่นศาสนาอื่นไม่ใช่พุทธศาสนาศาสนาอื่นศาสนาอื่นยังเป็นมิจฉาสติแต่สติในพุทธศาสนานั้นเป็นสัมมาสติสติที่สามารถกำหลับจิตของตัวเองความคิดของตัวเองให้อยู่ในธรรมในวินยัย ตัวนี้เลยเราจึงจะสามารถนำพาตัวเองตลอดรอดบงังอยู่ในเพศไหนก็ตามเพศคาบวาสหรือเพศบรรพชิก็ตามก็ต้องอาศัยตัวนี้ไม่งั้นเราก็ภาวนาไม่ไปไหนแล้วก็อยู่อย่างนี้นี่การภาวนาต้องอยู่จุดนั้นทางโลกมันเสื่อม เราต้องมีตติมีบัญญัความเสื่อมทางโลกความเจริญทางโลกนั้นก็ขอให้อยู่ทางนอกจิตอย่าเอาความเสื่อมหรือความเจริญทางโลกเข้ามาสู่จิตใครใจดีก็เรื่องของคนที่อยู่ทางนอกไม่อยู่ทางในจิตเราคือเราไม่ยึดมั่นตือมันใครจะเลวก็ตามใครจะดีก็ตามเราไม่เข้าไปก้าวไก่เราอยู่ของเราเพราะต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างตายนี่ สัตว์โลกขาดตัวนี้มนุษย์ขาดตัวนี้คือสติจึงลักษณะคล้ายคึงกับสัตว์เดรัจฉานไม่มีผิดทุกวันนี้ความรู้สึกในคิดก็ไม่เกินกับสัตว์เดรัจฉานไม่เกินกันสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์แตกต่างกันเฉพาะรูปร่างแค่นั้นเองแต่ว่าจิตไม่เกินกันเท่าไหร่ขนาดนั้นนะเราไม่ได้เข้าไปก้าไกายเราเรื่องนั้นเดีย๋ยวคิดว่าเรานี้ไป ตีลวกวอกเกลียงไปหมดแล้วก็ไม่ใช่เราพูดตามธรรมมันเป็นอย่างนั้นเป็นร่างของมนุษย์เฉยจิตใจเป็นเปรตเป็นปีเป็นสัตว์จะได้ฌานไปอิยาท่าทางก็เป็นเปรตเป็นปีเป็นสัตว์จะได้ฌานไม่เหมือนกับมนุษย์เพราะมนุษย์นั้นต้องมีสติมีสติเดี๋ยวนี้มีความละอายว่าเราเป็นมนุษย์มีสติเดี๋ยวนี้ว่าเราเป็นมนุษย์มีความละอายว่าเดียวนี้เราเป็นมนุษย์ มีสติและมีความละอายด้วยว่ามนุษย์นั้นจะทําอะไรเดี๋ยวนี้เราถือศาสนาไหนพุทธศาสนาะพุทธศาสนาสอนแบบไหนนั่นนี่คือสตินี่คือความละอายพุทธศาสนาสอนแบบนี้เราก็ไม่ละเมิดเพราะละอายนั่นอาศัยสติอาศาัายสติเป็นตัวปิดกั้นตัวนั้นอาศัยสติเป็นตัวนํต่างอาศัยความละอายควอบคู่กันไปด้วย ก็ไม่ประพฤติปฏิบัตินอกธรรมนอกวินัยนอกรูนอกทางเราก็เป็นผู้ที่ดีขึ้นมาในพุทธศาสนาดีขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นสัมม า, ส, มมาสัมมาสัมมาสมาธิเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาวาจาด้วยอำนาจศีลท่านะมารมีก็ถูกต้อง่องที่เริ่มเรื่องพูดให้ฟังถึงจะมีตัวนี้ แต่ตัวนี้จะไม่ส่งผลเท่ากับศีลเธอต้องทำควบคู่กันไประหว่างทานบารมีกับศีลและการภาวนาคือทานศีลภาวนานั้นต้องคู่กันพูด ง, ง่ายจึงจะสามารถส่งผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่องการทานบารมีถ้าไม่มีการรักษาศีลไม่มีการภาวนาทานบารมีก็จะไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ การทานนั้นก็เลยเป็นทางพวกสักตว์ประหาดฉันที่ทานเชียเลยเป็นพวกเขาเรียกว่าศาสนาอื่นศาสนาอื่นเชียไม่เหมือนพุทธศาสนาที่สอนพุทธศาสนาสอนนี่สอนอย่างเป็นเอกไม่ได้สอนเป็นรองใคร สอนกัทานะบรมีก็ต้องสอนศีละบรมีและต้องสอนภาวนาบรามีด้วยไม่ไม่งั้นสมาธิถี่จะไม่เกิดท่านสอนรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปงั้นทุกวันนี้พุทธศาสนาจึงมีแต่เพียงชื่อเลยวแหลกไปเลี้วแหลกไปเพราะใครผู้ทำพวกเราเป็นผููทำงั้นเวลาที่ลวงปู่ ม, มาอยู่วัดป่าวิริม น, นั้นเราจึงไม่เข้าไปเข้าใจทางโลกทางสงสาร ไมันก็อยู่อีกโลกหนึ่งนะวัดเหล่านี้การพื้นปฏิบัติก็เหมือนอยู่ี่อยูกับอีกโลกหนึ่งไม่เหมือนหมู่เพอาะบารมีหลวงปู่สร้างมาแบบนี้หลวงปู่ ก, ก็อยู่ตามกรรมก็ต้องใช้กรรมให้มันหมดให้หมดเชื่อเข้ามันแต่ก็ไม่คิดที่จะมีพบมีชาติต่อไปอีกพอเป็นสัมมาสติอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์สัมมาสติมันก็รวมเป็นข้อหนึ่งที่เรียกว่า สัมมาสัมมาตัวนั้นมันรวมกันไปหมดทั้งแปดข้อที่เรียกว่ามากแปดที่เราสวดตลอดตลอดเรียกสัมมาตัวเดียวสัมมาตัวเดียวตัวนั้นมันเหมือนกับพวกเราพูดกันถึงเรืสัมมาคารวะตัวนั้นสัมมาสมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวาจา มันจะรวมกันไปหมดที่คำว่าสัมมาตัวนั้นก่อนถ้าพูดถึงพุทธศาสนาสอนตัวนั้นสัมมาคารวะ อ, อือตัวนี้พอเข้าใจได้คำว่าสัมมาคารวะคือทำให้จิตใจอ่อนน้อมทำให้จิตใจนั้นอ่อนที่ว่าถ้าพูดถึงตามภาษาธรรมก็บอกอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าจิตใจมันไม่ยอมอ่อนตัวนั้นมันก็ไม่ ไม่สามารถเข้าสู่สัมมาทิฏฐิได้นี่ยก็มีจาเป็นจ่มีจาทิฏฐิไปเสียหลวงปู่ก็เลยใช้คำว่าสัมมาตัวเดียวนั่นสัมมาทิฏฐิทิฏฐิตัวนั้นถ้าเห็นชอบในการลองแห่งธรรมก็เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบในการลองแห่งธรรมแบบไหนก็เชื่อเชื่อพุทธเ จ, จ้าไม่เชื่อศาสนาอื่นพวกเราจริงจะเป็นสัมมาทิฏฐิได้นี้หลวงปู่พูดตามธรรม ถ้าเราเชื่อศาสดาอื่นอยู่กราบไหว้ปีไหว้เทพบุเทวดาเป็นอาจารย์อยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเรายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่สัมมาทิฏฐิจะไม่เกิดกับพวกเราพุทธศาสนานี่สอนอย่างละเอียดแล้วออกก็จริงอยู่แต่ว่าสอนสอนง่ายๆทั้งภายนอกและภายในคือสอนง่ายๆก่อนทั้งภายนอกภายในคือเห็นง่ายๆไง คือเห็นว่าพุทธศาสนาสอนอะไรเอา้าก็สอนพวกให้เรากราบไหว้พุทธธรสงูงอะก็แค่นั้นสอนง่ายๆทั้งภายอนอกภายในไม่ได้พูดถึงธรรมที่ละเอียดละออนถึงมรรคผลปณิพันธ์นะคือสอนในขั้นเริ่มต้นที่เรียกว่าบุพพิ喀ถาห้า 5, นั้นเลยสอนเรื่องการฐานนะั้นก็รวมเข้าไปถึงหมดประทานไม่มีอันยังยังอื่นมันก็ไม่เกิดนี่ทานะบรมีต้องเกิดก่อนทุกสิ่งทุกอย่าง เอาแล้วก็ผู้บาอาจารย์ในสมัยพุทธกาลนั่นท่าไม่ได้สร้างฐานาบารมีมีเลยทําไมจึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็ฐานะบารมีก็มาก่อนแล้วตั้งแต่ในอดีตชาติเดี๋ยวนี้เรากำลังสร้างไหมไม่มีใครทราบแต่ถ้าพูดถึงตามหลักทำคำําสอนพุทธเจ้าว่าเราต้องสร้างมาก่อนตั้งแต่ในอดีตชาติจึงต้องการอยากสร้างถ้าไม่มีการสร้างมาก่อนตั้งแต่ในอดีตชาติการอยากสร้างก็ไม่มี แต่ว่าผู้ที่ไม่อยากจะสร้างนั้นเป็นผู้ที่สร้างมาเพียงพอแล้วคือพระละหันมันจะแยกกันออกนะแยกคนละอย่างกันผู้ที่ไม่อยากสร้างคือพระละหัน์แต่เพิ่นสร้างมาแล้วจนเบื่อหน่ายในการสร้างธานะบารมีก็สร้างแล้วสีลบารมีก็สร้างแล้วภาวนาบารมีก็สร้างแล้วสร้างหมดแล้วในบารมีสิบอย่างสร้างหมดแล้วจนเบื่อหน่าย เมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็เลิกสร้างไม่สร้างอะไรยุติภพยุติชาติไม่สร้างไม่ก่อภพไม่ก่อชาติแม้แต่สร้างภพสร้างชาติเพิ่นก็ไม่สร้างนี่คือพระอรหันต์แต่พวกเหล่านี้ต้องสร้างอยู่อาศัยบารมีตัวนี้สร้างไปเพื่อนมันยังไม่เบื่อถ้าเบื่อแล้วก็หยุดสร้างเหมือนหลวงปู่หยุดสร้างกิริยาภายนอกสร้างแต่ใจไม่ไม่สร้างหยุดสร้างจิตหยุดสร้างพอเบื่อหน่ายสร้างภพสร้างชาติก็ไม่สร้าง สร้างวัดวาอารามก็ไม่สร้างสร้างที่พักที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่สร้างคือจิตแต่กิริยาภายนอกธรรมเพื่อโลกเพื่อสงสารก็แก่นั้นนี่เมื่อมันเพียงพอแล้วจะเป็นอย่างนั้นการไปการมาหรือก็ไปตามโลกตามสงสารไหมไม่ไม่ไปตามโลกตามสงสารแต่เพื่อโลกเพื่อสงสารไม่ใช่ว่าการไปการมาแล้วไปตามโลกตามสงสารไม่ไปเพื่อโลกไปสงสารอยู่เพื่อโลกเพื่อสงสารก่อนที่จะ เข้าสู่กติที่สูงสุดคือเมืองปนิปานพาาระละหันพรเนี่ยเป็นอย่างนั้นการไปการมาการพูดการจะเกียร์ท่าทางทางั้งดุด่ดาว่ากล่าวติจินนินตาหรืออะไรเพื่อแสดงธรรมเพื่อแสดงธรรมให้โลกให้สงสารเด้ปิณิพิจน า, าใครมีสติมีปัญญาก็าเก็บกรรมไว้หมดใครไม่มีสติมีปัญญาก็าเก็บกรรมไม่ได้ก็ ค, คิดว่าครูบาอาจารย์ไปสอนคนนั้นไม่ได้สอนเราครูาอาจารย์ด่าคนนั้นไม่ได้ด่าเราตำหนิคนนั้นไม่ได้ตำหนิเรา ความคิดตัวนั้นก็เผยออกจากคุณงามความดีไกลอโขนี่ฟังธรรมที่ไหนก็ตา่างครูบาอาจารย์องค์ไหนเทศก็ตา่างต้องรู้ตัวทันทีว่าเพิ่นสอนเราเราจะพึ่งปฏิบัติตามนั้นไหมแค่นั้นดีเดี๋ยวนี้พนก็สอนเดี๋ยวนี้หลวงปู่ก็สอนเราทุกคนเราฟังธรรมก็เหมือนกับเรานั่งอยู่ต่อหน้าหลวงปู่คนเดียวแค่นั้นอย่าไปคิดว่ามีหมู่มีกันนะ เดี๋ยวนี้ก็มีเราคนเดียวที่นั่งฟังเทศหลวงปู่ผู้ที่เทศอยู่ก็มีหลวงปู่องคเดียวมูคณะก็ไม่มีเราเป็นผู้ฟังธรรมเป็นจะเป็นอย่างนั้นเพิ่อปืนในธรรมรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามฟังเพื่อสดับสติปัญญาของตัวเองเพราะสิ่งไหนที่เป็นธรรมที่เราเคยผ่านมาเนี่ยเราก็ทราบสิ่งไหนที่เป็นธรรมที่เราไม่เคยผ่านมาเราก็ไม่ทราบ นี่ภาคปฏิบัติจะเป็นอย่างนั้นจิตใจตัวนั้นมันเป็นการบังคับยากในภาคปฏิบัติก็จริงแต่มันก็บังคับได้สอนได้ถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยตัวเองแล้วก็ไปไม่รอด น, นะไปภาวนาที่ไหนก็เท่าเก่าถ้าจะตีเตียงคนอื่นก็ตีเตียงเตีเยนตัวเองนั่นแหละอย่าไปติเตียนคนอื่นว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องตีเตียนตัวเองว่าตัวเองดีไหม ถ้ายังตีเตียนคนอื่นอยู่ไม่ติเตียนตัวเองแสดงว่าเป็นมิจฉามิจฉาทิฏฐิเกิดกับพวกเราตลอดตลอดนะการทําคุณงามความดีของเราไม่ไปถึงไหนหราอยู่ที่นั่นแหละร้อยวัดร้อยบาร้อยครูร้อยบาเพิ่มสอนดีขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ฝึกฝนอบรมมินัยตัวเองก็เท่ากันไม่มีประโยชน์ถ้ายังไปประทุษร้ายคนอื่นอยู่ว่าคนอื่นไม่ดีตัวเองดีอยู่ก็แสดงว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ เพราะไม่มอบกายถวายชีวิตกับพุทธธรรมสงฆ์ไม่เชื่อกำเชื่อผลของกรรมไม่มีความสำรว ม, มกายวาจาและใจขตัวเองความละอายไม่เกิดยังคิดว่าคนนั้นคนนี้ว่าให้เราคนนั้นคนนี้ว่าให้เราอยู่ยังคิดว่าคนนั้นไม่ดีเราดีถ้ามีตัวนี้อยู่พวกเธอยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่หาใช่สัมมาทิฏฐิไหมนานักโขนี่การฝึกฝนอบรมิสัยตัวเอง การฝึกผลอบ ร, รมนิสัยตัวเองที่ถูกที่ต้องมันจะเป็นอย่างนั้นไม่งั้นไปไม่ได้นะพวกเรานะก็อยู่อย่างนี้เดินจงกรมไปหลายชั่วโมงหรือทั้งวันยานลุก ม, มันก็เท่าเก่าก็เป็นเพียงกี่ยาไปนอกแค่นั้นเหมือนงผูร่าเกี่ยวกับตัวประเทศอย่าว่าแต่เราเดินจงกรมเก่งได้มามมันวิ่งทั้งวันมันยังไม่เห็น ม, มนั่งขวบบริญญาเกิดขึ้นเป็นว่านั่งอยู่ตลอดตลอดก็เหมือน อยู่ในรูปเหมือนพวกอื่นพวกขวบพวกเขียนก็ไม่เห็นว่ามันจาเร็จมากคนพ้นนิพพานไ้นั่นพเพิ่งก็ไปนั่นไงมันอยู่ที่ไหนดังที่หลวงปู่พูดให้ฝังมันอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญายืนเดินนั่งนอนพูดคิดตื่นถามเธอมีสติเธอมีปัญญาไหมเวลาได้ยินคนนั้นเขาพูดมาแทงในจิตในใจเธอมีสติมีกําลังปัญญาพอที่จะ บังคับจิตบังคับใจตัวเองได้ไหมนี่ฟังแล้วก็น้อมลงถุี่ใจเอย่เอาเรื่องคนอื่นคนไกลเข้ามาเอาเรื่องเรานี่แหละเราล้วนๆความปรุงความแต่งความคิดของตัวเองนั่นเองเอาเรื่องเราล้วนๆหาวิธีออกหาวิธีสู้กลับมันเอาอะไรเป็นเครื่องสู้เอาอะไรเป็นตัวกัน้นสติเอาอะไรเป็นตัวสู้ปัญญา สติปัญญาต้องคู่กันตอนแรกก็ถูๆแต่ไ ถ, ถ, ถ, ถเป็นของธรรมดาวันใหม่สติยังไม่มากแต่สติมากแล้วตอนนี้ก็ดังที่พูดในฟังพร้อมเกิดพร้อมดับพร้อมความรู้สึกนึกคิดพร้อมกันก็ดับพร้อมทั้งสติเกิดดับพร้อมเกิดดับพร้อมไม่เห็นว่ามีอะไรมีแต่เกิดก็ดับมีแต่เกิดก็ดับชั่วก็เกิดขึ้นก็ดับดีเกิดขึ้นก็ดับ กายทำดีเกิดขึ้นก็ดับกายทำชั่วเกิดขึ้นก็ดับไม่มีไม่มีในพระสุปฏิปนโนขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์พราดับพร้อมไปหมดทั้งชั่วทั้งดีเพื่อนไม่รับทั้งชั่วทั้งดีนี่ขั้นนั้นเราจรึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มาจุติเวียนว่าใต้เกิดในภพทั้งสามอีกไม่งั้นก็เวียนว่าใต้เกิดอยู่อย่างนี้พบไหนชาติไหนก็ว่าตัวเองดีปฏิบัติตู ปฏิบัติถูกต้องเรานี่ดีอีกคนนั้นไม่ดีเรานี่ททำดีที่ถุดแล้วอีกคนนั้นมันไม่ดีอีกคนนั้นมันมาว่าเรานี่เรานี่ดีกว่ามันมันไม่ดีเท่าเราถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็เหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งโลกแห่งมิจฉาทิฏฐินะสมา ท, ทิจะไม่มีในจิตในใจของพวกเรานี่ฟังฟังแล้วเราก็ต้องปพปฏิบัติฟังแล้วก็ต้องน้อมลงไปที่ใจแลวเอาไปประพฤติปฏิบัติ ลืมว่าเราอยู่ทางโลกเดี๋ยวนี้เราอยู่ในโลกมนุษย์เราก็อยู่ไม่กี่ปีนะเราจะตายอยู่เราจะนัดวันประกันพุ่งจริงจะสร้างคุณงามความดีเราจะนัดไปทไําไมก่อนรูเมื่อเกิดเราตายวันนี้เนะี่ยเราพรุ่งนี้จะเราจะได้ทํเาเือหลวงปู่คิดอย่างนี้มานานแล้วตั้งแต่หลวงปูค่คลองกาลปัตต์หลวงปู่จึงขวัขวายในการทําคุณงามความดีตั้งแต่คลองคาลปัตต์ทว่าเช้าทําว่าเย็นเดินจงกรมนั่งภาวนา ตั้งแต่คลองกันรว่ะจนจิตลงปู่รวมแล้วรวมเราตั้งแต่เป็นคารวะเพราะลงปู่ไม่นัดวันประกันปุ้งขอให้มีเวลาไม่ได้เลือกว่าสถานที่ไหนเพราะสถานที่ไหนก็เป็นสถานที่สร้างคุณงามความดีทั้งนั้นสถานที่ไหนก็เป็นสถานที่เกิดที่ตายทั้งนั้นไม่ได้เลือกวัดวัดอารามนั่นวัดก็เกิดหมดที่บ้านเราก็คือวัดคือวัดจิตว่าแจขงตัวเองวัดในการสร้างคุณงามความดีนี่แล้วเอาขนาดนั้นจนจิล <ti> ตลงลงปู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนา มันหลงทางโลกก็เพราะขาดสติตอนนะั้นไปไปได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะขณะที่เราองค์ภาวานาของเรามีเสถีย จ, จิตรวมแล้วรวมเรารวมแล้วรวมเราหลวงปู่ยังหลงอีกทั้งสามปีเห็นไหมจิตเสื่อมตั้งสามปีตั้งแต่คลองกัล้ว่าเสื่อมเกิดเกือบหลงไปในทางโลกแต่ผลตรดจตายก็งัดขก้นขึ้นมาได้ ตอนนี้ก็พิกสัญญาใหม่เอาโสโสเป็นโสตายโสสุดจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านนั่นนั่นเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องการภาวนาของพวกเราถึงจะทำอะไรก็ตามขอให้ภาวนาทํโน่นทำนี่ขอให้เป็นการภาวนาร้วนๆอย่าเอาจิตเอาใจไปฝากไปด้านอื่นจะให้เป็นอารมณ์จะให้เป็นอารมณ์ในการก่อสร้างจะให้เป็นอารมณ์ในคนนั้นคนนี้ ขอให้ถือว่าขอขอให้ว่าเป็นการภาวนาถือว่าเป็นการภาวนามีสติมีปัญญารู้รอบตลอดตลอดนั่นเลยคือการภ า, ภาวนาที่ถูกที่ต้องไม่ใช่ว่าจะไปเดินจงกรมต้องนั่งภาวนาไม่กิริยาท่าทางนั้นวางไว้เพราะเป็นกิริยาในการสร้างคุณงามความดีที่บางทีเดินจงกรมอยู่ตั้งแต่เช้าจันรุ่งยันแต่เช้าจนเย็น ยันจเย็นจนรุ่งสางความคิดมันก็ปรุงแต่งไปแต่พื้นเตือทั่วโลกทั่วสงสารก็มีเพราะเราผูเป็นมาก่อนเอาตายว่าเอาตายว่าใจว่าเอาตายว่าเอคําว่าเอาตายว่ม า, ามันก็เอาอยู่แต่ว่าใจไม่ยอมไปจิตมันไม่ยอมไปคน ต, ยตายก็ต้องหมอบกาทางจงกรมนั่นแหละเพราะกิเลสมันเหยียบเบาแล้วก็ผ่านมาหมดตั้งแต่กองกาละพานแต่เมื่อสติแล้วไม่จําเป็น กระสุนนัดไหนที่พุ่งมาก็รู้รู้เห็นกระสุนแล้วเขาผ่ากระสุนดับกระสุนพร้อมผากแล้วก็ดับพร้อมกระสุนไฟหมายถึงความปวดความโลกความหลงมามาแล้วก็ดับพร้อมมาแล้วก็ดับพร้อมนี่มันอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่สติถ้ามีสติก็ไปไหนไม่รอดดังที่พูดให้ฟังเดินจนกองนั่งก่อน่ะก็ยังสติการทางานก็เป็นกิริยา เหมือนการเดินจงกรมนั่งภาวนานี่แหละให้เป็นกิริยาอย่าเอาใจไปฝักใฝ่ในการทํางานอย่าเอาจิตไปคุกคียอยู่ตรงนั้นขอให้จิตมันตะลุมบอ น, นกับพวกเบรกพวกผีที่อยู่ในจิตในใจถอนรากถอนโคนมันให้ได้ในปัจจุบันพอเราได้ตั้งใจแล้วไงเมื่อตั้งใจมาพืชปฏิบัติแล้วอย่าเพียงแต่เอาบุญปา่าไปโน่นไป น, น, ไปนี่ไปคติโน่นคตินี่เลยขอให้น้อมใจเข้าสู่ปณิพานเถิด ใครจะว่ายัางไงก็ตามเราน้อมใจเข้าสู่พระนิพพานใครจะว่ามาวัดปาา่าเขาเรียนแล้วคนนั้นเป็นบ้าเป็นวะก็แล้วแต่ใครจะพูดเรื่องของใครเรื่องของมันนี่เรื่องของเราเรามีความเชื่อความเลื่อมใจในธรรมในวินัยเรามีความเชื่อความเลื่อมใจในกูในบาเราแใน่ใจตาใจในองค์พุทธเราก็มาใครจะว่าใครจะด่าใครจะตีจินเนียนตาเรื่องขใครเรื่องของมันใครไปวาดปาา่าเขาเรีนผู้นั้นบ้าดอก พวกปีบ้าหรอกไว้ว่าไปนี่ก็แล้วใครจะพูดถ้าทุกคนขาดสติอ่าถ้าใครขาดสติคนนั้นก็คือบ้านนั่นเอาตรงนั้นพุทธเจาศาสนาสอนให้คนหายจากบ้าไม่ได้สอนให้คนบ้าถ้าใครพูดแล้วก็แล้วเราไม่เราไม่มีอคติกับใครนี่เราเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไอันนี้มันเป็นบ้ามันเดินยังกลมนั่งคอนาอยู่ขณะเป็นคาราวาสอยู่มันก็ยังสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้าน มันมันเป็นบ้าไปแล้วนี่ทางโลกอยู่เป็นอย่างงั้นแต่แล้วก็เฉยนิ่งเจียตั้งแต่เราความกาลเวาบาเห็นแล้วเดินยังกมอยู่เขาก็บ้าเราบ้าอาก็แล้วแต่เราไม่ได้สนใจใหญ่ดีพ่อมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันใครจะว่าลุงปู่ผิดทางลุงปู่บ้าลุงปู่บ้องหรือใครจะว่ามาวัดป่าห้วยลินแล้วผู้นั้นเป็นบ้าเป็นบอกแล้วแต่เรื่องของกายเรื่องของมันเราไม่ได้ไปสนใจในสิ่งนั้นแต่สนใจแต่ดียวเดี๋ยวนี้ว่า พวกกิเลสหนาตนาาัณหาอย่าความโรคความปวดความหลงทิฏฐิมานะอันตรทานหายไปหรือยังพบชาติสิ้นหรือย่าลุงบุกเป็นอย่างนี้ใครจะพูดใครจะว่ามันก็เรื่องเป็นของทางโลกเราไม่เกิดมันก็นินทากันอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เราไม่เกิดนู่นแหละความตีฉินนินทาความยกจ่องเสร็จแล้วเสริญได้ลาบเสริญลาบมียศเสริมยศมีสุขมีทุกมันก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เราไม่เกิดแล้วจะไปสนใจทําไม สิงที่เหนือกว่านี้มีคือเมืองพริพพานนั่นทาไมเราจึงจึงไม่สนใจจุดนั้นทําไมต้องสนใจกับ เ, เรื่องเรื่องที่มันมีมาแล้วตั้งที่เรายังไม่เกิดความสุขความทุกข์มันก็มีมาตั้งแต่เราไม่เกิดนุ่นลาบมีลาบเสื่อมลาบมันก็มีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดคําตีฉินนินตาคํายกย่องสรรเสริญมันก็มีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดนุ่นมีสุขมีทุกข์ทเรียกว่าลกธรรมแปรตั้นแต่ มันมีมาตั้งแต่เราไม่เกิดงม้นวรมศาสดาอย่างเอกก็ตัดชอบเลยโลกธรรมแปดมีมาตั้งแต่เราตถาคตยังไม่มาตัดจะรู้โน่นนั่นเหลือเรายังไปสนใจใจดีกับทำไมกับโลกธรรมแปดมีสุขมีทุกข์มีลาบเสือนลาบมีสันละเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีมียศเสื่อมยศมีลาบเสือนลาบพวกนี้ไปสนใจทาไม เราสนใจสิ่งเดียวตอนนั้นว่าเราจะไปสถานที่ที่ไม่มีการเสื่อมอีกลตลอดนานาการคือเมืองพุทธิพานั่นแล้วไปจุดนั้นนี่ถ้าเราไปสนใจในโลกธรรมแปดหยุดแสดงว่าเราไปไม่ถึงไหนเห็นพูดได้กันหน่อยก็แวงได้กันละแสดงว่าเราปฏิบัติทราใไม่ถึงไหนเพราะขาดสติผู้หนึ่งพูดผู้หนึ่งเงียบไม่สนใจเพราะเรามาปฏิบัติทํา ควติดินนินทาทางโลกภายนอกทางบ้านโน้นบ้านนี้เขาติดชิ้นนินทามาเราไม่สนใจเราสนใจแต่เดี๋ยวนี้ว่ากิเลสเราสิ้นหรื อ, อยังนี่แหละภาวนาตุกภาวนาเป็นภาวนาเป็นสัมมาทิฏฐิจะเป็นอย่างนี้คาว่าสัมมาตัวนี้มันรวมไปหมดดังที่บูญให้ฟังรวมไปหมดด้วยความอ่อนน้อมท่อมตนสัมมาตัวนี้นะรวมไปหมดเลยแต่คำว่าสัมมาทิฏฐิเริ่มต้นเพียงข้อเดียวก็ ข, ข้ออื่น ไม่จำเป็นต้องพูดถึงนั้นก็ถูกต้องเพราะเป็นสัมมาตัวนั้นก็เหมือนกับผู้ที่สวดมนต์สวดปอนี่แะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสวดแบบมีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็สวดสวดแบบไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนก็มีนะสวดเพื่อต้องการลาบจักรละสวดเพื่อต้องการโน่นต้องการนี่ต้องการเป็นเขาเรียกว่าต้องการมีฤทธิ์มีเดชต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ต้องการได้ลาบจักรละนี่สวดมนต์ด้วยที่ไม่มีสัมมาตัวนั้นแต่จะสวดด้วยความสัมมาจะสวดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนสวดด้วยความเคารพเทิดทูนพระพุทธเจ้าสวดคนละอย่างกตัวเดียวกันนั่นแหละแต่สวดคนละอย่างเลยเลยเป็นคนละอย่างไประหว่างการสวดก็ดยลุงปู่พาอพวกเราสวดสวดชินบัญชรสวดวรมีสิบทาต ยิ่งลังไหลามาพวกกายทิพย์พวกจิตวิญญาณพวกสัมประเวสีหาที่พักที่แต่ไม่ได้ลังไหลามาพวะได้ยินเสียงกระเสียงดังดูสิแต่ผู้ที่สวดเจตนาอย่างอื่นละ่ะเห็นไหมละ่ะทำไมพวกจิตวิญญาณจึงอยู่ไม่ได้ละ่ะได้ยินคำสวดชินบรรชนบัญชรหรือบารมีสาสิบทัศทำไมพวกจิตวิญญาณจึงหนีก็เสกกะเสิงร้อนอยู่ไม่ได้ละ่ะ เลยเวลาเราสวดธรรมะจึงหลั่งไหลมาหลังไหลม า, ลมาเอา้ามันขึ้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราสวดด้วยความเืิดทูลพระพุทธเจ้าเราไม่ได้สวดเพื่อไปประหรัตประหารคนนั้นคนนี้เพื่อต้องการรับจากการละความฉันละสื่เดืนย่อหนี่มันคนละอยา่างเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนั่นแหละดังที่พูดในฝังเอาสติเป็นเครื่องวัดถ้าไม่มีสติเราก็ไม่ทราบว่าเราสวดเพื่อต้องการอะไร ถ้าไม่มีสตินะเราก็ไม่ทราบว่าเราสวดเพื่อต้องการอะไรเทศเดี๋ยวนี้เทศเรื่องสติเราสวดเราต้องมีสติสวดเต็มเม็สเต็มหนว่าเราสวดเพื่ออะไรเดี๋ยวนี้เราเทอดทูนพระพุทธเจ้าของของของเราเทอดทูนองค์ท่านที่เราได้อยู่อย่างผาสุเกเย็นใจทุกวันนี้เพราะด้วยอํานาจบารมีขององค์ท่านไม่ใช่อํานาจวาจาหนาบารมีของเรา เป็นอํานาจพระราชสนาบารมีขององค์ท่านจึงเทิดถุนท่านโสนเป็นโสนตายกับท่านคือพุทธเจ้าเราสวดแบบนี้สวดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เรียกว่าสัมมาขอให้พวกเราเข้าใจนะไม่มีใครเทศพระลังปู่หรอกมีแต่ลังปู่นี่แหละเทศที่ไม่เหมือนหมู่เทศทาไมาก็เทศใส่ใจกับพวกเราทุกคนต้องการที่จะให้พวกเราทุกคนนั้นอ่อนน้อมถ่อมตน ป, ปฏิบัติปฏิปทาธรรมที่ถูกที่ต้องต้องเป็นอย่างนั้น ต้องเอาสติเป็นเครื่องวัดในการสวดหมนในการเดินจงกรมนั่งภาวนาพูดง่ายๆถ้าขาดสติตัวนั้นพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ร่วมกันก็ทะเลาะเบาแบงเพราะขาดสติไปไหนมาไหนก็กิริยาเรเ่ยวๆร้รำมค า, าพูดคำจากร้องเรี่ยวๆซ้ำเพราะขาดสติธรรมดาเมื่อเรามีจิตมีใจอ่อนน้อมถ่อมตนมันก็ย่อมมีมาน เข้ามาแทรกเป็นของธรรมดามานั้นแทรกใจเราไม่ได้แต่ก็ไปแทรกใจผู้อื่นให้มาทะเลาะบ่แวงตัวนี้สติตอนนั้นที่จะเป็นเครื่องกัน้นไม่มีอย่างอื่นถ้าสติตัวนั้นสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็มาน้าไหนมันจะออกมาเป็นพ่านไม่ได้เพราะรู้รู้ขนาจิตที่มันมันจะออกมานี เดี๋ยวนี้เราขาดสติเราไม่ทราบว่ามาันมันออกมาเป็นพานหาทางยุเยงแต่แกงรั่วให้พวกเราทั้งเราบแวงกันหรือให้พวกเราไอ้ก็เรียกว่าน้อยเนื้อต่าใจให้พวกเรามุทะลุดู ด, ดันให้พวกเราอยากโน่อนอยากนี่ทะเยอท ย, ยานอยากโน่อนอยากนี่ก็เพราะมานตัวนั้นมันส่งผลออกมาเพราะการขาดสติของเราเอง ถ้าเรามีสติพวกนั้นออกมาปัป๊บดับความกาันปัป๊บดับควาอมกันพับไม่ใช่หิวอะไรก็ไม่ใช่ต้องการอะไรก็ไม่ใช่ดับความกันกับพร้อมสตินั้นมันก็อยู่อย่างฝวายุกเกณฑ์ใจที่ไหนมีอะไรมานนั่นไหนมันจะออกมาเพีนพันธ์ควทะเยอทะยานอยากมันจะมีหรือนั่นแล้ลงตรงนั้นเพราะสติเป็นตัวเครื่องกั้นเป็นตัวดับเป็นตัวฆ่าพวกมานพ ว, พวกเปรตพวกผีแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่อย่างสบายสบายเหมือนพวกเราเห็นตรงกู ถึงจะดูดา้วา่ากาดูด้ว่าเก่าไม่กีระยะเราดาาาูด้ว่าเก่าดูทําไม่ได้ก็เลิกสอนดูสอนดูอย่างว่าๆก่อนไม่ได้กลองสอนรุนแรงดูสอนรุนแรงไม่ได้ ก, ก็เลิกก็ถือว่าพวกเรายังไม่มีบุญพาวานาบารมีพอนั่นมันเป็นอย่างนั้นนี่ขอให้พวกรู้สึกดูขา้าพึงเข้าใจนะพอใกล้จะปีใหม่แล้วอยากจะให้ตั้งใจกันคือปฏิบัติคุณงามความดีทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไปกับปีเก่าจ้า วันนี้วันที่ยี่สิบห้าแล้วเหลืออีกไม่กี่วันอยากให้พวกเราทุกคนคือปฏิบัติทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเอาคุณงามความดีสิ่งที่ดีดออกมาแล้วก็ใช่าจากปีเก่าจนถึงปีใหม่แล้วก็ใช้สิ่งที่ดีๆไปเรื่อยจิตมันต้องอสิ่งที่ต้องการต่างๆนานาที่มีมาแล้วมันพลาดหวังก็ขอให้ทิ้งไปในปีเก่า ทิ้งไปให้หมดเดี๋ยวเอามาใช้คือสิ่งที่เราต้องการแหละมันพลาดหวังแล้วเราเสียเสียใจนั่นแหละพูดง่ายๆทั้งโลกย่อมมาใช้ก็ขอให้ทิ้งไปในปีก่อนเถะนี่เริ่มใหม่ไงเริ่มสร้างสติสร้างจิตสร้างปัญญาใหม่คําว่าสร้างสติสร้างจิตสร้างปัญญาก็อาศัยสตินั่นแหละอย่างนั้นเราก็ไม่ได้สร้างจิตของเราสักไม่ได้สร้างปัญญาของเราสักีเพราะขาดสติแล้วก็ไม่มีการสร้างจิตแล้วก็สร้างปัญญา ถ้ามีสติแล้วก็สร้างปัญญาแล้วก็สร้างจิตทําไมจึงเรียกว่าสติแล้วก็สร้างสติสร้างจิตสร้างปัญญาทำไมจึงไม่เรียกว่าสร้างสติแล้วสร้างปัญญาก่อนสร้างจิตก็เมื่อมีสติตก็เห็นจิตก่อนไงเมื่อเห็นจิตแล้วจึงหาวิธีการใช้ปัญญานี่แหละที่เรียกว่าประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดถ้าเราประพฤติปฏิบัติเอาปัญญาก่อนแล้วจิตเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบการรู้จิตเห็นจิต ผู้นั้นเป็นผู้มีสติเมื่อมีสติแล้วก็ต้องใช้ปัญญาเพราะรู้แล้วไงรู้แล้วรู้เห็นจิตแล้วเมื่อรู้เห็นจิตแล้วก็ต้องใช้ปัญญาหาทางออกจากความปรุงความแต่งที่จิตมันรับอยู่ความทุกข์ทรมานที่จิตมันรับอยู่หาทางวะหาทางออกโดยใช้ปัญญานั่นหลองปูก็เลยพูดว่าสติ สติสร้างสติสร้างจิตแล้วก็สร้างปัญญาไม่งั้นไปไม่รอดนะปีเก่าก็เท่าเก่เากปีปีเก่าก็เลวลงเลวลงปีใหม่ก็ไม่ดีอะไรไม่มีอะไรดีขึ้นคือต้องการให้พวกเราเป็นคนดีต้องการให้พวกเราสร้างฐานะแห่งจิตให้มั่นคงพร้อมสติพร้อมทั้งปัญญาปัญญาเป็นพุทธมามา ก, กะที่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่าลืมว่าความตายมันจ้องพวกเราอยู่ เราจะตายวันไหนเราก็ไม่ทราบแต่ก่อนที่จะตายนี้เราเพึงสร้างคุณงามความดีให้ได้ละบาปบำเพ็ญบุญห น, น่ี่คาสอนพุทธศาสนานลวงปู่อยากให้พวกเราทิ้งความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละความชั่วช้าละมุกจบเปรตต่างๆที่มีมาการทะเลาะเบาแวงกันความไม่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนลวงปู่ต้องการให้ลูกๆทุ ก, กคนทิ้งไปกับปีเก่าพร้อมที่จะพุปฏิบัติ สิ่งที่ดีๆอย่างเดียวในปีพศสองพันห้าร้อห้าสิบเจ็ดที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันนั่นแหละเราจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีไม่มีใครอยากพบอยากฟังหรอกก็เลยอยากให้พวกเราทิ้งทิ้งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดเลยเอาสิ่งที่ดีออกมาใช้ยืนเดินนั่งนอนพูดคิดเื่มทำขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆคลองในจิตในใจของพวกเรา ก็มันมีหน้าที่นสักห